แล้วก็นรตั้งใจฟังธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมะท่านว่าตามหลักที่พระเจ้าท่านเทศนาไว้มันก็มีหลักมีเกณฑ์ถ้าหากจะไปพวกศึกษ า, ากได้เรียนตำราตำราท่องบ่มจดจาก็พอจะรู้เรื่ององเราวในเรื่องหลักของธรรมะนั้นถ้าหากว่าได้เรียนหลัก ว่าไปเขาจะว่าได้ยิ้มด่สงคือคนว่าไปยังสั้นๆจำลักษณ์มาได้เพราะว่าแล้วไปแล้วไปหมดเรื่องหมดราวไปจะไปนึกคิดพิจารณาอีกกับได้แดงเชื่ออธิบายให้ฟังมาแล้วว่าที่เรื่องลักษณ์ธรรมะที่เป็นแนวปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะอันสูง นนเนี่ยโลคุตระธรรมชนตะว่าตั้งต้นตั้งแต่สตรีประฐานสี่อธิบายมันเป็นลําดับมาตนะอนหลังต่อมานจะอธิบายทึงเรื่องขันธ์อาแสสมาเพิ่มเติมเนี่ยวันพระที่ได้มนจะได้อธิบายทังเดื่องสมาประธานทส่วนเปลี่ยนสี่ว่าโดยเฉพาะ หลดรวมแล้วก็อวอบอว่ามากม า, กมายกคออุ่มกว้งเส่ยงเี้ยหะเพียนละบาปบำคุณบุญแล้วก็ห้ามบอกให้บากเกิดขึ้นรักษาบุญที่มีอยู่แล้วทงที่ลุยเจริญงอกงามขึน้นอันนี้เป็นว่เพี้ยน่วมเพียนขั้นา้ก็เราฟัง ตามที่เทศนายฟังถ้าหากบนนอกสมาธิจายตัวของเราก็ดูว่าอยู่ห่างไกลทางพิจานาทั้งเรื่องความเป็นอยู่ขอเราทุกวันที่เราพาตั้งสางคุณงามความดีไปงามประกอบคุณงามความดีามดามดตามกาลังสาถานตนเช่นคือควมเพลินทานการกุศลกับไปงามสงบนตักบา่าถวายกปีชังฐานวันเป็น แต่ถ้าเจ้าพระสง์อยู่ประจำอันนั่นก็เรียกว่าเพียนต่างคุณามกวมดีเรียกว่าจเาจเลตุสนุนนอกจากนั้นในงูจักทำความอ่อนนอ้อมนุสใจจริญามายาอ่อนนอ้อมอ่อนนอ้อมเคารนับถือในสถานที่หรือบคุคคลหรือธรรมะ ผรบบับหน้าถือมีเมตตาปาถนาวังดี เ, เพื่อเพื่อเพื่อแผ่แกงูเพื่ อ, ตอนต้นอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าบำเพ็ญตนอยู่ในควรเพียรเพียรทำคุณงามคุณดีให้จเจริญขึ้นเป็นเป็นนิสัยไม่อาเปนนิสัย ครัเลือกผู้ที่ําเป็นคุณงามความดีอย่างนั้นเกิดมีขป้นแล้วก็ให้ยามโ บ, หบหให้ผิมพ์โบเละได้ถอนให้ยามเพียนให้มีอย่างสั้นตลอดเวลาเรียกว่ารักษาบุญกุศลไว้ส่วนศูนย์ปเมื่อเรารักษาคุณงามความดีได้เจริญบนุญกุศลอยู่บาปมันก็ค่อยหายไปเหมือนปัดทวงส่วนก็ววให้ค่อยห่างเหินหนีนปัดสิ่งใดที่ เ, เป็นบาปกำ นามัยเซยซึ่งความเตาหมองทําให้เป็นเท่น่านั้นเกียดพู้ใช้ง่ายว่าหินไดเอ็นที่ทําลงไปแล้วนั้นมันเป็เครื่องเดือดร้อนตนในคนอื่นทาให้เขาเดือดร้อนและทําให้ตนเดือดร้อนด้วย่างยังไดงก่ะทําให้เขาเดือดร้อนกับทำให้ตนเดือดร้อนเราคิด จิตสาริษยาเพื่อคนอื่นจะได้อับอายขายชนะและเขาอยู่ง่าเป็นทุกข์ดยการพูดคำหยาบคายเสียสีกระทบให้เขาเกิดความน้อยอดสกใจเสียอดเสียใจเกิดความทุกข์โทมนัสจะได้สมน์นาเขา่งี่เปลี่ยนตบเรียกว่าวิ่แบ่งคนอื่น ในขณะที่เราเบียดเบียนคนอื่นน่ะตัวของเราเองกร็บวชสบาดมันเป็นการเบียดเบียนตนแต่ในตัวที่ตนก็เกิดความบกพรอใจเกิดทุกเกิดความอิจฉาด้วยท่างหางหมายความมันล่อนขึ้นภายในมันเกิดขึ้นในใจของตนเรียกว่าเบียดเบียนตนแต่ในตัวที่เป็นตนเรียกวตัว แสดงให้เห็นตัวกดซึเพราะงคนนันเขาบริจาคสมัวทั้งหลายเหล่านั้นาะคิดทีระมานะถือว่าตนเก่งแล้วตนดีเด่นตัวคนอื่นอันนั้นเาิตบังไว้จึงเขาบริจาคขวางตัวของตัวนี้เป็นมุ่งลปารนาความติดจิตแต่มีเล่มีจับจิตจับจิดของคนอื่นเป็นจุด งานนี้เรียกว่าคงส่วนเมาเห็นคงส่วนเราก็พยายามละคงส่วนั่นเมื่อละแล้วเราก็มาคงส่วนั้นกลับคืนมาอีกคือละคงส่วนั้นระเบียบโดยระเบียบเดียนตนระเบียบโดยดะเบียนคนอื่นแล้วก็มีความสบายมีความเย็นใจมาเป็นที่หลังเกียดเยียนหยาบคงคนอื่นต่อไป แล้วก็พยายามรักษาระดับความดีของตัวนั้นไว้มันก็เข้ากับว่าละตัวระบายส่วนตัวตัวนอีกควาเพียรทั้งสี่อย่างนี้แหละมีอยู่ในตัวของเราหมดทุกคนถ้าหากเรานาะมมาทีจเจนายตัวของเราทันทถ้าไปฟังเรื่องของท่านเทศให้ฟังอธิบายให้ฟังตามหลักถ้าไม่ได้น้อะเข้ามาในตัวของเราแล้วก็ดูว่าธรรมะทั้งสี่ประการ โดยมากออกไปจากตัวของเราแล้วเราสมุมีธรรมะอย่างนี้ฟังบัตถุฟังอิทธิทิพย์วัตถุอันนี้อธิบายต่ออีกมีข้อธรรมะสี่ประการนี้คือกันที่เรียกว่าสมาปทานแต่อิทธิบาดกันี้อิทธิบาทตรงนี้สี่คือกันอิทธิบาท คือว่าทําเป็นเครื่องอห้เป็นเนตความประสงค์การพูดสังง่ายๆเรียกบาสเคือบให้สําเร็จทอดอัตธรรมะที่จะให้สําเร็จความประสงค์นี้สี่สกายน่าผู้ใดปฏิบัติตามง่ห้สําเร็จในทุกคนตามสมควรแก่ความสามารถของตน อิทธิบาทั้งสี่นั่นกับว่ได้อื่นไกลยังกับพูดในตัวของเราด้วยกันโดยเฉพาะถ้าพูดทางด้านธรรมะแล้วบ่ได้พูดนอกจากตัวของเราคือพูดในตัวขงเราเนี่ยมีในตัวเรานีและเมื่อมันมีแล้วก็เห็นมีอย่งตัวเราอะไรก็ตั้งยามกะรมะปรุงธรรมะที่มีในตัวเราให้เจริญงอกงามขึ้นสิ่งในบมุมีทางที่ปรนเทศสาว่าเป็นธรรมะเ ม, มือ่อบุญมีในตัวของเรา เราก็พยายามไปถึงสิ่งมันจะอยู่ในรักคณ์เพียนสีดังอธิบายมาแล้วจะกีนนี่ครับจิที่บาร์สี่นี้ว่าคอดยดจความก่อความพอใจความเพียนความคิดความพิจารณาคิดมาพิจารณาจิต ท, ท่านวางเป็นห ล, กลักกเหรอ สันทะความพอใจเอ็นยะท่าที่บาตทั้งสี่ฉันทะที่บาตสันทะจิตตะยมังสาสันทะวิเดชิตตะิมังสาสันทะความพอใจ มีเยอะคนเรียนคิดตะตอคงคิดมังษาคงพิจารณายี่สสประการสัญชาควคนพอใจคืออย่างไรให้กิจู้จากคัอคนแล้วก็มพอใจทำบันไดนะถ้าหากการั้งถ้าหากพอใจระบบกี้านเนียก็มีกำเน็จด่บนบนบสีฟ้านีนนะ่ค่นท่ามีสันชาติ จะศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านกระตามจะบทเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาต่างจะประกอบการงานได้กระตา่างอาชีพทุกสิ่งทุกส่วนถ้ามีความพอใจแล้วเค่แต่วัดความต่อความคิดก็คือกันความบริบูรณ์งามที่ต่อสิ่งลักขโมยสองส่วน มันพอใจเ็ศแล้วนะผู้อื่นบอกเขาบอกฟังมันพยายามเพศเอาจนได้โดยมากคนที่มีฉันทะมันมีทั้งดีทั้งถูกพอใจในความชั่วความคิดก่อนเมื่อจากคนที่ยังบ่ทันนีความคิดจะมีความสอง มันต้องมีจิตมีาพาตุแต่ทั้งชั่วมีอยู่เป็นธรรมดาคือประครบอธิบาต ท, ทั้งสี่มันยกวจิตอนันนี้จะ่ความพอใจที่สุดคนเราขาดความพอใจอย่างเดียวแล้วนะทางบสนิแคักันทำก็ได้ยังต่างกันคิดๆดูว่าก็แล้วกันเพราะมการใหญ่การโตยังต่บการบ้างกันที่เกียดกันโตลงไอ้ที่เกียดคือพอใจก นั่นเราปล่อทำนะเจ้าอ่านอยู่เรียนได้จงอเขานึเข้ากินกัน้ปล่อใจทำได้ก็แ ล, ล้ว น, น, น, นอกจากปลอใจทำแล้วบทสัมเดะโยดายังจะเป็นเพืขึ้นมัสอีกให้เิดเพราะ อ, อว่าทุมเสียงทุมกันแล้กันแข่งแย่งกันแล้วกันอยู่ในหมู่ในคณะถ้าหากความปอยใจในหมูบ่บมีจ ะ, ะนล้ว อาจจะเรื่องบิดเบี้ยแหวแนวยืนกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วหากเรพอใจซึ่งกัรดกนการแสดงนี่จะเรื่องจะเอาละกับเสลียดนี่เป็นเรื่องจะเอาผิดเอาถูกกันอันนี้เรื่องบรพอใจกันเรื่องบรพอใจในจิตการงาน mm hmm. เห็นคนอื่นเขาทำแล้วเราพอใจในการที่จะทำเราพอลจถ้าเป็นเหตุ ให้ว่าทุ่งเถียงเพน่อกรรมคาะมีความพอใจในใจถ้าความพอใจนี้แล้วรื้ล่วงไปได้เดียวกันสองคนทั้งแสองคนจะไปถ้าแค่งสนิทสนมกันพอใจซึ่อคำพูดพอใจซึ่งความประพฤติปฏิบัติจิงอา่าะไรยากพอใจใน การประกอบการงานสองสามชีวิตเป็นห น, หนึ่งใจเดียวกันดีมีความสุข ส, ขสมเหตุทางเงินสำเร็จเพราะจะประกอบการงานได้ได้ก็สำเร็จทั้งนั้นถ้ <c oughs> ามีความพอใจนะเยอะโมมากก็ได้กําลังมากแต่เราคนเดียวก็ได้กําลังตามฐานะการสมขอควนถ้าสองคนสามคนหรหมูมากก็จะมีได้กาลังมากขึ้น สำเร็จประโยชน์มากคือดูแต่เขาทาบ้านทําเรือนกว่าพอใจทําด้วยการสำเร็จเล็ทํางานได้แรงตัวหมดมีความฉันทะความพอใจเป็นอย่ั้คุณประโยชน์ของความพอใจแต่ว่าความพอใจนั่นแหะถ้าหากขาดคนคิดครนฟ้องอาจจะทําผิดทำพลาด อย่างคนก็กอบการ ง, งานในขยันมันเพียรพอใจที่สุดแต่รู้จากทางได้ทั้งเสียแต่รู้จักผลประโยชน์ก็จะดีจะชั่วแต่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันก็อมีของไปเหมือกันพราขาดความคิดความกลองชั้นท่ากับวิริยะนำมานํากันความพอใจตรงเพียนมานํากันโบราณท่านยังว่ามั่นกับเพียรมันเพียนนํากัน ข้างกับมือมัน่วยใช่กันข้างๆนะกับมืออ่อนแข้งอ่อนขามันมันเสยใช่กันครับมันเสยใช่กันนี่งั้มาบนี่หละออกไปจากบนี่แหะันรลานฉันจกออกเงียกไปว่าออกไปจากนี้แหละมันกับเทียนเนี่ยเียนนึงกันข้านกับมือมัน่วย่กันมันเสยใช่กันนี่ว่าฉันท่าความพอใจนี้แล้วบทต้องรอทั้งยกอยู่เนี่ยกลุ่เียน มันเป็นตปเองธรรมะนี่ก็จ้องขอมันเดียวกันนี้กันหมดแล้ท่านคิดเกลียดคิดห้ามมันจากเมื่อไหร่มันก็บุีโยชนเกลียดเนัร์ดท่าน่พอใจเนัดสมเกลียดท่านพอใจได้วโมเกลียดแรงมาเข้าหาท่านได้เลยอันนี้ข้อต่อไปอ่ะคิดตะคิดความคิด คนเรามีไปคิดปะกองก็มีเลยคิเลื่อยเขื่อยไปยนะั่นแหละพิดปายหน้าเดียวพิดปูนคิดแปลงไปมุ่งไปหน้าเดียวนี้ไปเป็นนี้ไปจะเป็นผลใ น, ป ร, ป, นมมประโยชน์นี้ที่จะชอบจะดีทั้งหมดนี้จะมวลจะสมุขเพืเพลินแบบนั้อนะอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ สร้างสิ่งทุกอย่างเพ้่งมวลสนุกเหมือนกันกับสร้างสร้างปลาสาดในบทสวรรค์ทั้งที่ตนเองกับ่ทได้เรายู่เคย้างกับคนเดียวครับสร้างยังงบุ้มันคิดไปได้กันแล้วนี่คิดกันแล้วกันทุกวันนี้เราล่ะลองคิดกันาเสกเองกนก็เสกเทียบตารอบบ้านรอบเมืองรอบเลกรอบแนดิน แต่ว่าการคิดแต่นั้นไม่เหตุไม่ผลแต่สำเร็จแตบริสบริจักคิดแต่ว่าต้องมีปัญญาหลอกทังนี้เรว่าต้องคิดเยอะคิดต่างคือความคิดนี่กันมากมากถ้าจะเทษกรรญย่อเลยว่าคิดว่ามีขอบเขตคิดว่ามีเหตุมีผล ค, คิดบญญริสุทธิ์พ บ, บตับคลืนมา หาคุณค่าประโยชน์หรือต้องเรยียนตัวบทตัณฑ์คิดไปหน้าเดียวเขาเรียกว่าบา้าหรอีกนั้นหนึ่งเรียกว่าจิตฟุ้งตกลงต้องคิคดต้องสร้างกคือคิดเป็นบ้าดีๆนี้บ้าคิดดีนี่นี่ข้าบมีที่มังสักที่ควรตรึกควนตรอง ภาษาโบราณท่านวาตนาฟังให้ทำไม่ยบกโบจะคิดโบจะสอนดูให้จักคิดดูให้จักนึกนี่ดูให้จักนึกดูให้จักคิดมันเป็นครูวเนี่ยด็กโบราณธรรมดานึกแล้วโบจะฟังนึกคืคิดรองสือปิจนามีคาพูดนะแต่เราไม่ได้ใส่ใจไ่ได้สนใจ มุ่จัดตรึกมุก่จัดตรองมุ่งไปจะของตรึกสึอคิดอย่างอธิบาลมาแล้วแล้วชื่ออธิบายนี้เรียกว่าคิดจักมุก่จัดตรองทือเรามีวิมังศาก็ภาษาบาลีคำว่าวิมังสาคือการตรอง้าว่าตรองนี่เนะี่ยตรองหรือกลองที่เราคากันก่ากองน้ำ กองแง่กองยี่งกระตาก็่อกองต้องใส่ของละเอียดเป็นเรียกบทองกองทึกกันแล้วสิ่งที่มันละเอียดออกให้มันยิ่งเหลือของละเอียดเป็นบทกละเรียบเขาเรียกคณะเรียกว่ากันการนิ่งเรียกกับกองนิพภัทาคำพูดนิพพาทธาคำพูดหมุนนี่แหะมันจิ้ลึกซึ้งเข้าไปจนอัตธรรมะเรียกว่าธรรมะเรียกว่าอัตขังธรรมะ อธิบายนี่ก็ความที่ว่ามีปต่คิดคือจิตตะเมื่อบมริมังสาไซการบรได้อธิบาทางนี้อธิบายอยู่เดีนนี้จิตตะคนคิดคือสื่อถ้าขายบมังสาแล้วจะเป็นไงเลเป็นสร้างวีมารบนสวนนรรค์หาสถานบริไดหาสถานนีบรได้คิดคิดบรมีสถานี คิดมากๆเราต้องมีปัญญาต้องฉลาดไม่ได้ยินน้องทองหนึ่งให้อยู่ภูเก็ตดกันทุ่งทองเคยเป็นนายไงสมพันธ์แกเป็นนายอำเภอเจ้าว่าเาว่านายในขั้นปกติมีปัญญนาเค้าว่าให้อยู่สงบก็คืออยู่ก็ได้แต่คิดว่าเขาต้องแขวนแขวนกับบ้านด้วยกันปัญญาดีเจ ออ ก, ก็กจะทัจะไม่เห็นอีกขาหนึ่งห้อยคามภาู่วันเทอมเลงเป็นเรื่องจป็ราวกับลูกกับเมียแตกกันทีหนี้ไปปิดเอาให้สังเ็จว่าฝนนี้ผ่ายนยังไงฮะน่ะคิดเมืนกี้ขอบเจ็าตอนนีปปิดตาเมื่อกี้มัง่งตาไปหนีไปได้ยังคิดทางบางเห็ุเยื่ อ, อยๆมาทางานสบายเลย แค่ตรวเป็นพระขาวเลยคิดถึงขารมงเห็บจิกัน้นนั่นเปลี่ยนทางมงเห็บให้น้ำขาดแล้แก่เห็หนุนาเมื่อขาเมงเห็บเสีอยู่แต่ัญาดีได้แก่และก็นานเนี่ยครับเป็นอดสั้นทาความสงบนั่งสมาธิทำความสงบเดินโยกงงมือตำรวจแข็งจะได้อีกเ้าเเง็ดแดดนี้เขานาแดดเนี่ย มีสติปัญญาอย่างนั้นเลยเจ้าเวลาพระถนอาหาเราท่านกับทฤษฎาธรรมะเรื่องความสงบได้ความรู้ความฉลาดมีอุบายเนี่ยขายอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นอันนั้นปากรุขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นรุกขึ้นมาจากความสงบเกิดความรู้สวามฉลาด ป้ากดขึ้นมาที่ตรงความสงบเรื่องน่นหนึ่งทานเปนจรยกนเราจะแก้ไขยังไงบ้งเยผู้ท่านั่งฟังเลยถึงหลวงนี้อถามคอมันื่อยยังไงก็เถอะนะเขามันรลื่อยคมาจากความสงบแล้วก็ถามแกว่ได้ท่านแปลว่าลื่ยละลายกวงขวั่งมอกมานมันก้วงมันขวังมันเกลดขลาดเฉลียวเสียบแหลมมันเกล็ดแหลมอะไรเนี่ย่าว่าเสียบแหลมมันกวงสว นิสระนั่นเป็นอะไผมเมื่อพอหลับตาก็มันเป็นเพราะข้าวสิงเก่าดิเพาะมันไมเห็นถ้าโดยแม่วูนอะไรจังแ้งฟ่างตลอดปุ๊นลง้างก็เห็นวันลวงซ้อนลวงไสบนต้อนวันรีปุ๊บจังฟ่างเลยวันคนาลาดนังแก่เแดดนั้นบอวนาจะได้รอขึ้เาอ่ังนั้นลุ่ขาวงขาว้นหัวมันเจ็บยังไง อยู่บ้านน อ, อนเผลอน่ะผ่าคิดมันก็ได้ตัวาสองวันนั้นนี่แหละเรียกว่าคงคิดแต่มอาวิธีกงลองทุกกลอ ง, องบปได้นันบาได้ของละเอียดการทำควางสงบนั้นเป็นการกรองของบดีออกหนีไปจิตมันยังค่อยสงด ถ้ามัน <Survey> ยัง <undergrad> ม <uates> ีเส no ้นตระกรว่งลังสิดถึงบ้านถึงซองสิบถึงลูกถึงหลานสิเป็นการทึงงานที่ถึงเรื่องเจ็บของปวดโรคโมโทสังมันปกิดห่มห่ออยู่แล้วนะมันสงบลงไปแล้วจะมากรองมาได้มนกรองบปลงมันจะ้างเยอะนี่เป็นกีฬาพวกกรองทั้งหลายนั่นคือกระจัดมันนี่ออกดิ การ ง, งานบ้านช่องโลหิตานสมบัติพลาสฐานสิ่งของทังสงมัดมันเป็นของหนกสละทอดทิน่นรวมให้มัอยู่ในที่เดียวจิดรวมจิมมตให้มันสงบอยู่ในที่เดียวอันนี้เรียกว่าวิมังขวาคือการตรองเอาจ้าของดีคือความสงบไปกรองเอาของดีความสงบสุขไว เพิจะเห็นโทษของทั้งหลายเท่านั้นว่าเป็นของภายนอกเ่งเคลื่อนยุกมันจะน่าเห็นใจคนเราเกิดขึ้นมามีเพีเรื่องนึ่งถือของยุ่งนั่นเป็นของดีเนี่ยที่มันเจตละปล่อยวางของนุ่งทั้งหลายนั้นเข้ามาหาของบริสุทธิองใสขึ้จิตใจที่สงบยิ่งว่ามันมีแต่ความคิดมันมีใจจิตตะ เลือกเ้นเอาของดีบัวดงนั่นก็ถึงมีมงังสาจึงเป็นเหตุใน ค, คิดพลาดในประการต่างๆคนคิดของเราในคิดมุ่งอย่างเดียวแค่อหนมุ่งอยากจะให้ได้ได้แล้วจะอยากจะให้เยิ้ยมใต้ไม้เสือ่อมทักเถื่อนมีเข้าของสมบัตินในได้มนได้ก็บใบล้ยงมาที่ายทักเถือ่อ อัน ja. นั้นเรามีธงคิดกองบุตรหลนโดนกองบุตหลนได้มีมือมีบ้านมีบ้านมีเค่องเอาของเป็นงนทองดียอมากคืกใจตัวมั hmm? mm. uh okay. <S <s ยังไม่ได ok ้ใจตัวมัดมันเปล่นเจก็ถูกนะคือตัคิดเป็นเรื่อนั้นเมื่อถูกตามเมื่เป็นตามที่เนคิดมึกไว้จะได้เกิดเว่งเดื่อลเสียใจอันนี้แกออกมีเป็บกรองเปล่น ถ้าหักลองเป็ีมยนไปในสัตว์เดงในโลกนี้เขาจะแต่งเราได้แตเตอของเขาเขาังแต่งเป็ี่นทีนี้เป็นผู้ตายจะแต่งผู้หญิงเหรมันก็แต่งกว่าได้เลยเป็นผู้หญิงจะแต่งผู้ตายห็มันก็แต่งว่าได้นั้นต้นม่เตนสวยบางาจะแต่งสวยางามอะไย่งเง้เอใส่ตางเะนั้นก็ขายจะแต่งมาท้าขาวเอกโลงแห่งสป็นตะีเดียดกัน นั้นเรืองเาี่าทาแห้งกตะีเดือดหลายนี่เราแต่งมันแต่งบดได้รอกงเชิต้อเชิดตัวเสือตึมเื้นทะลอะหลอกรวงกันนีเนี่ยนีเรียกว่ามันนันแต่งบดได้ของแล้วนี่แต่งของที่แต่งบได้คิดใให้ขอยงแต่งบได้ว่ให้มันเก็เชิยว่มันสั่งก็สั่ง่ให้มันน้อยใจขอไม่นัดคัแคนมันก็ยังโบกดัก จะไแต่งนั้นของอะไรค้นหาก็เราคิดเราั้นหาเรากรองสิล่ะลักของเปนจริงนีสภาพในโลกอันนี้นะคนเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่งได้จ้กคนเป็นได้บนทัศแต่งถูกแต่งได้แต่เดียวนี่แต่งก่ได้นอกจากแต่งคิดเป็นได้ก็แต่งกว่ได้ของภายนอาจแต่งกว่าได้ชัดคน ถ้าถนัดเข่าของเงินทองก็เรียกว่าของแพนนอรีเงของงานก็เรียกว่าของแพนนอไฮนาถั่วเเรียกว่าของแพนแต่งอะไรจั่คนเดียวเขาเทดนาเป็นป่าเป็นถื่อนนั่นได้เลยที่ยังเป็นไฮเป็นนาที่ยังเป็นแต่งได้บอกการแต่งได้หรอกมันเทเป็นนาเนี่ยแต่แต่งนั้นจะให้นาเนี่มันเป็นสันเดลเป็นเวลามันแต่งก็ได้ได้ไอี่เรืงานก็เป็นเทศเข้าสวัิ์เทศไทยสวดี์ปที่สองที่สามที่สี่ที่หานั้นเนี่ยก็ปีีปีก็ไปเกี่ยวไแค่แต่งกว่ได้เลยวิ้ววิใส่กัน แ้การงานม่เดียวแต่คิดไปอีกนี่ตกลงว่าสภาพของสิ่งต่างๆในโลกนั้นเกินไปตามเกณฑ์ของมันนั่นนั้นไปตามเกณฑ์ขมันไปตามเรื่องตามราวค้นหากรมากลอย่างที่เราเห็นเนอะเรื่องของเลกเรื่องของวัฏจักรเกิดสมาธิแล้วเกิดสมาจะบอกมันแก่มันก็อดบ่ได ต่ลอกหนังตีกะเทาสองเท่อแม่เก่าโบราณเก่าม่ยังเท่าคือเก่าอยู่ลอกเขาได้มันก็ป่ะเภทหนึ่งทั้งสาวคืนมาพอกลางเดือนก็พอกลางเดือนม้แตดหยวย่นโย่คืนเก่าเน่หนังจะเป็ลอกังกระดิเห็นมันฮดมันหูจะลอกออกเห็นมันเป็นหนังอย่างหยาบมันซาซาเห็นว่ามันจะก็สดเห็นว่ามันด้นยี่หน่นหน่วนมันบิตออน มีเงื่อนเป็นลอกเหมือนเดิมกระสนงลอก่ากันเองไปนั่นกรเป็นเช็ดหนางกระนเช็เกาแข็งเช่เกาเนี่ยคนเอาเกาเนื้อหนังคือกันเนี่ยเพี้ยฟันด้กันเนี่ยไปนั่นมาแก่เช็เกาคนเรามันไปเรียนนะแบบมือลอกาไปเรื่อยไม่เรบอกไม่กรแก่เท่ากระงูก็ไปรอกฆ่ามันงูมันเกิดเป็นคนก็ได้จ้ะ มึงแค่มือเดือดไม่ใส่เดินไ่นเอาเพาะาโบมีกลองการทหารเรากล้องเข้าไปแล้วเห็นก็พลาดตาเป็นจริงนะก็หลังทอดธุระลงไปตาจะพลาพน้องก็สบายใจแต่กระบองเงินจะทอดธุระทั้งมดซิ่งใดแต่งพวงแล้วก็แป่งคือกันแต่ว่ายามันเป็นขอบสียอย่างเราแก่แล้วเท่าแล้วเราจะบอกกิดเอ่แล้วมันแก่เป็นต่อกระบองเงิน แล้วพออาบน้ำแล้วโบแมนก็อาบอยู่แต่กินอยู่แต่กินเพื่อตายอาบเพื่ออยู่ก็ต า, ายเมื่อตายกะอาดจะกินได้สันดาบโแมนว่าเ ม, มาื่อตายแล้ต้ อ, องขึ้นขึ้นบนอัศวัยโบแมนมันก็เกนไปซะสภาพของมันหนุนเรียนแล้วก็หมุนไปตามเรื่องมันแต่ว่าตัวผรู้กนันตัคิดคือการตรองตรองกันนั้นทั้งมันมี ถ้าันรู้เรื่องตารควรเป็นจริงริงว่าจิตตาแล้วมีวิมัมงขาควรตรองสุดตรองตาทำเง็ยประโยุ์ได้ทุกอย่างอันนี้บราส่วนละเอียดั้าเาส่วนตัเซึง่งสมากะอย่างปารงานในเวงม่อมคิดจะทําหนาเดียวแต่รพือจะสมประโยชน์นี้คุข้ขค่าหรืว่คุค่าอย่างบางคนเนี่ยบางคเขาทั้งให้ทั้งมาทั้งสวน ไอ้ม <that> oh ันถางก็ถางเว่าส่นกระเทศตะวันตกแย่กว่าบางทีแล้าถางน่นมั่นจะลุ่มแบบแล้วมันจะร้อนนั่นจะค้างแบบดินดีแบบไม่ดีแบบโดยมีขารกองไอ้ประเทแต่แท้แต่พอไหนนะมันคำกับด่างกับการคนก็เศร้ากับไปกับคนส่วนจืดกับจืดส่วนถางให้ทำให้มันจืดจืแล้วแต่แม่งทำให้ต้องกรอง เทาาสอนเราคนแจกข้าวแจกไทก็ลงท้งอาแดกพระทํานันไทก็ไทยนะท่นคนก้าวังก้าววังก็ท่านพระเช้กสนที่แรสอนที่สองขอเทนคนนั้นมีกรองเทดไปเมื่อคุมขามมีกิจกันวริยะความเทียนมีคือกันคิดได้กิจกแต่หาฤกษจักรองคิดได้ตามทน แค่ก่จะรองสมประโยชน์ไ่ไดุ้่มพาใจสุ่มควรระเบิสมควรนีเรียกว่าการงานส่วนญ่มอกางงานส่วนใหญ่เข้ามามันต่างนี้หลายชั้นหลายอย่างเห็นเขาเหอย่างไรเห็ุนะส่วนต่านว่านี่กเฮ็ดท่านบอกอะไรเหตุในคำว่าน่ะเรียว่าเหตุไปนั่นมันคือสมฐานะควรแก่ทางส่วสมควรบ่จะนี่ก็ขาดรองกัน หมดสมเ็ตเุสมผลเลยกลายลายให้เกวเป็นเทอจไปทั้ฉันถ้าอระยะจิตใจมังสาทั้งสี่ประการนี้เป็นธรรมะอันสูงแต่อธิบายยากไม่เข้าใจโดยเดืนใชก่อนฉันถ้าหากเราพยายามเตรียมที่จะละความสวส่มให้มีอยู่ในจิตใจทั้งตนเครื่องกรวนเกี่ยวครองพยายามละมุดพอใจในการที่จะให้มันเกดละเลิกทั้งหลายนั้น คือบอยินดีกับเรื่องเกี่ยวข้องสังเวียมืู่นนั่เรื่องเจ่ทั้งหลายที่มีในดวงตนทุกหลายที่มีในดวงตนเราพอใจอยินดีที่จะรักบ่แม่นยินดีกับคนส่วนถ้ายินดีกับคนเสวนนั่นมันจะอยู่เลยแม่งจะรักกว่ได้ฉันท่าคือความพอใจอันนี้แหละเป็นของจริงธรรมะคำบอกเมือเจ้าเป็นของจริงจริงที่บ่แม่นอันนี้คือความ ส, มสนับสนิล่ะเป็นของดี เท่งว่าสงบเงียบอันวายก็เป็นของดีแล้วเห็นชัดอย่างีแล้วก็พอใจยินดีในการที่จะรักษาความสงบสุขทำสมทธิมีจิตไม่เป็นอารมณ์นันเดียวนี่แน่อยู่ตลอดเวลาอันนั้นเรียกว่าชันท่าหนึ่เพี้ยนมีพร้อมพยายามใน่ติละขณะนี้วิ่างสายเลยนี่คิดไปเลยไงคิดถึงเรื่องนั้นเด่นเรื่องความสงบหุ่จักมันไกลจากความสงบ ความสงบนั่นไม่มีคุณโทษประโยชน์กว่าตอนใดความว่าสงบมีโทษมีคุณกว่าตอนใดมาคิดกันว่นนี้คิดเราจะมาลองเทียบกันเองมีคุนข้ารรประโยชนกันกันยังไงดียังไงแล้วกลองทั้งลองแล้วก็เห็นความจริง เ, เกิดขึ้นมาแล้วจรักษานั่นไงนี้ฉันท์พระญญ่ยามตบขึ้นปฏิบัติเสมอในนีนั่นไะ ริยะสงเาบทอบทอดสะอยสะดอดางวันยึนกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกริยาบทจิตตาจะคิดไปเรื่องนันติี่ม า, า, ารสากระพิจนาแตเรื่องนั้นมื่อไดส้สมดุลธรรมเกิดขึ้นมาคือความสุขสงบกิเลสทั้งหลายละหายศูญไปหมดสิ่นไปนยิยมจะของบริสุทธ์ทองใสธรรมะขั้นสองเจาวิเนธัมจึงว่าอิททิ บ, บาตทั้งสี่ ที่ว่าแต่นี้ผู้ใดบำเพ็ญเพียนั้งพยายามตามไหนพยิบาลนั่นบวชอยู่ก็รู้แปกกว่าบวชน้อยปีหลายปีบวชมาสี่ปีสีวปีก็เด็กทำไม่คิดถึงแล้วถ้าบวชทราบมาเลี้ยบระบาดเลยันนี้ต้องจะพยายามที่จะมีความพอใจเพียนพยายามละบาปกุศลเริยคุณงามความดีมีคงคิดลงมีตลอดเวลา วันคืนปีเดืนอนหมดไปบนหัวเมือปีนึงเราเดีเดียวนี่คืสร้างคนงานคนดีคนพอใจนั่นคนพอใจในํางานคนดีนั่นนอกจากนี้ว่าฝาวานานันนี้วันนึงคืนนึงปีนึเดเดียวหมดไปหมดไปนี่มันสำเร็จได้กันใช้เียกตา ย, ยามั่นน่าจน่นอีท่านเลงอธิบายได้คุณค่าประโยชน์อย่างนี้อนยนืม ไม่กี่วินาทีแล้วใจสบายแ่้วทั้งนี้ฉันแค่จะไปวิจ า, ารณ์อธิบายไม่ฟังนี่มันใจเยันใจเยินท่านี้มีความอืใ่ใจดีใจเพลิดเพลินเจริญอยู่ในตนตอนตลอดเวลาบางานนคน ม, มีคนทุกข์เนินอางคนสั่นตายเร็วมันเพิ่ม อ, อคุ้งใจงานนะเข้ากับกินกัอบประดันอนกับประับ คนกินไว้ได้เนะเวลาทวงการทักผ่อนเพราะการทักผ่อนโลกใจก็สุดในนี้เมื่อเป็นเลือเดเรียบเบี้ยนต้นในตัวเมื่อเป็นการรักต้นเพราะเป็นการถนอตมต้นก็เป็นการเดือดเบี่ยนต้นเป็นตัวยืดสั่นตายเร็วนี่แหละคนเกิดขึ้นมาในโลกตัวนีนะ้ถ้าวิจัยวิหาตรติมคือด้วยการทำความสงบสงบในทางธรรมจะอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป ถ้าเราจะรปหารตนคือเราคิดถึงสภาตาความเป็นจริงดารอธิบายในฝั่งนรับเราจะมีตั้งแตความคิดลงมีความสร้างจิตใจกับสูงส่ธาตุเดือดร้อนเป็นทุกขี่ตลอด ก, การเวลารยฆังจะว่าเกิดขึ้นมาตกนรกแล้ววัั้นตายก็ตกนรกแล้วอันนสั้นตายเาลยหายแล้วก็ได้อีกนะคุณงานความดีแล้วก่านี้ยังติดตัวงไป เกิดขึ้นมาตายเนาอยู่ในโลกซื้อไปได้ก็แบบไปได้ไปหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พาตัว น, น, นี้ฉันทายาจิตใจมังกรทั้งสี่ประการนี้ไปเคลื่อนดำเนินในชีิตทั้งตนจึงจะเป็นผลคุ้ค่าที่เกิดขึ้นมาตัวนี้เนบใครเรนี้เสียกวกัเป็นมนุษย์มาอยู่กับบ้านกับเมืองมาอยู่กับโลกกับเป็นดินเขาใครได้คนสุขคนสบายกับเขาทั้งหลายก็เกิดมาความ มความทุกข์ความสบายแล้วเกิดชื้อายแล้วมาเกิดมาเป็นทุกข์เดือดร้อนตกนรบทางจิตเสียหน้าเสียดายหน้าก็บรรคาสบายอาจารย์ก็บรรยายธรรมะคาสันงดยเจ้ากระเช้นอุลโลก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ทำคำสอนโดยเจ้ากรนี้อยู่สบายอาจารย์อุลลงก็มีอยู่แต่้นทาบรู้บอกเข้าใจระบบคสติปัานรู้เทียบฝนเฉยเฉยแต่ที่สุด เพราะฉะนั้นทุกคนจงพากันนอม น, นำมาทำคำสอนให้บริเจ้าที่ปฏิบัตินีทั้งสีปการไปไว้อบรงสันดานิสัยของตนทุกๆคนให้ธรรมะขีปการนี้เกิด ม, มีขึ้นก็จะได้รับผลคุกค่ะดังแสดงมาด้วยสจ้าการชน